ต่อไปต้องบังอาจิตในะจในพักรีที่พิสูดด้วยนิ้วมือนะครับจะเานิ้วมือหรือไม่ใช่นิ้วมือก็แล้วแต่นะาไปจี้เพื่อต้องการข้าวหัวเราะนะครับต้องการเล่นสนุกนะรวมถึงจับต้องตัวกันเล่นหรยอไม่มีเหตุด้วยนะครับความจริง<ไ>หมายความว่าต้องการข้าวหัวเราะด้วยนะไปแยงไปจี้งั้นไม่ใช่ว่าจับเล่นเฉยนะครับต้องการเล่นในข้าวหัวเราะอย่งนี้นะนะครับ ถ้าจัาบรูปสัมพันธ์เพื่อเล่นสนุกต้องอาบัตุกฏนะครับก็ด้านทำเสน่งก็ต้องอาบัตุกฏเนี่ยต้องการให้เขาสะเกเจียบเขาหัวร้อนแล้วลต้องการสนุกเนี่ยนะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างอื่นไปจับเรื่องความจับเรื่องความกําหนัดเนี่ยนะนก็จะต้องอาบัตุกฏใช่ไหมกําหนัดในผู้ชา ย, ยานี่เแหละบางคนเจอเนน้อยนี่นะโอ้ยน่ารักเออ ดีเนยน้อยใช่ไหมันงทีก็ตัวอ้วนตุ้ยนุ้ยนะแต่จับขยี้หัวมากอดมนจุ่มพิดอะไรนี่นะครับนั่นน่าจะทำมาด้วยความเขาเรียกว่าอะไรกําหนัดนะกําหนดเวลาเห็นเด็กเนี้่นะกําหนดอันนี้จะต้องบัตรผูกกอดนะับมันไม่ใช่เล่นแล้วมันความรู้สึกหนึ่งนะแต่ถ้าจะไปจี้ไปจับเล่นให้หัวรอดนี่นะก็ะจะต้องบัตรไปเตี๊ยสิขาตัวนี้นะครับ การนี้ก็ต้องบัตรทุกกฎคำนึงจะจับแผ่าพลถ้าผ่านพาเนี่ยอาบัตจะบาลงครับเป็นทุกกฎเนี่ั้ทุกกฎทุกกรณีครับมันทุกกุกการถ้าพลาดต้องกากับการครัเหรือใครก็ไม่เป็นไรมาในกาหนับมาในจะเล่นในเจี๊ยหัวเลาะไม่เป็นครับไม่เป็นไร ก็เรื่องนี้มาจากพระเจ้าปักขีนะครับโดยสมัยนั้นพระพาผู้พะเจ้ากระทับอยู่หนพระเชตวันตามของนักธรรมบิดกะข้ามปฏิเชตพระนครสามวันทีครั้งนั้นพระเจ้าปักขีได้ทำวิสูตรรูปหนึ่งแนจําพวกวิสูตรสาสังกชีให้หัวร้อนะครับไปแกล้งเด็กนะเอามาจี้ใหญ่เลยนะครับพวกองหัวร้อนะพอจี้ด้วยนิ้วมือนะครับ พิสุรูมนั้นเหนื่อยหายใจไม่ทันได้ถึงหมรณะ้าพลง <Okay. S 1> ที่ย่นตายเลยนะ <Okay. S 1> เขาไม่จิตนาที่ <Okay. S 1> ตายเขาก็เล่นสนุก <Okay. S 1> ของเาคนนั้นก็หวัวเราใหญ่นันก็คร๊กนะ่ะพวกนั้นก็ยิ่งกี้ใหญ่นี่ครับสนุกอย่างไรหายใจไม่ทันตา ย, ยนะครับ <Okay. S 1> โอยนี่นก็ไม่เป็นปาราชิกนะครั <Okay. S 1> บบรรดาพิสุที่เป็นผู้มากน้อยสนันโดษต่างก็แกลงเตือนเตียนบทนาว่าฉะนัยพระเจ้าก็คิจึงได้ทํำพิสุให้หวัวเรา ข้อจีเรนิวมือเล่าแล้วกลามเนื้อึงนั้นแดดขึ้นมาพาเจ้าพระเจ้องค์ทรงสอบขาทรงตีเตียงก็ประหยัดขามผลนี้ขึ้นมาให้ก่ออธิบายมีความปวดตัวที่ย่างอุสามบันให้หัวร้องนะครับถูกต้องกายด้วยกายนะอันนี้ต้องแบบตีติทีนี้มาดูคมอธิบานทางขางข้อ น, น, นี้ก็ไม่แย่นัก ขอที่สองอธิบายอังคุริปรโตตะการสิกขาบทครับพึงสร้างทารถิบายสิกขาบทที่สองต่อไปบทว่าอังคุลิปโตทตะเกหมายถึงการจี้ที่รังแรงเป็นต้นใช่ไหมแปลไม่ว่าทําไมาเวลาคุณมันจี้เรามันถึงจะกระจี้ใช <c oughs> ้เวลาจี้ตัวเองอย่เห็นจะจีจ้เทนะ่าไหร่ถ้าคุณมันจับไม่ได้นะซีคลองอันหนึ่งใช่ไหม แล้วก็รักแรแล้วก็ที่ทเท้าคือคนแค่หัวเข่าไม่ได้เออครับจชจ ก, กัตจีเจกัเดียมนะครับก็ใส่ไปคว้าหน้าใครัอืมครับมาทีแมสเนี่ยทำกลัวซามมานผีนะเรียนเจกัตจีเลยครับอันนี้นะอันหนึ่งเมื่อพิสุเออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโดนพิสุด้วยประสงค์จะแกล้หัวเราะต้องบ่นปากจะตี นิการต่อการเหตุเ <c oughs> ah กิดและประเภทอาบอดศิลปาบทนี้เมว่อพระเจ้าทรงปลดพิสุชาวเบอรคีในเมือสาบันทีบัญญัติไปแล้วข้อเหตุคือการจีพ้พิสุงให้หัวเราะนะครับเป็นสาธารณะบัญญัติพิสุนี้ก็มีอ น, นันติกัะไม่เกี่ยวการใช้ต้องทําเองถึงต้องอาบันนะครับติกาปาลิตีเป็นพิสุนะครับเป็นประสามบันนะเข้าใจสงสัยสัมพันธ์ผิด ไปจี้ก็ตมามบัตรทั้งนั้นนะครับเราพฤกษามาโนประปสามบาลเนี่ยทํากันในเป็นติการทุกกฎนะครับทํากันในทุกกฎทุกกรณีเลยนะ อ, อ้าเอาความจริงม า, าทำแต่เราไปทำกับในบเป็นเงินทั้งหมดแล้วโา้โหเงิเนก็บัตรน ะ, นะอัอนนี้ก็เป็นโทษนะครับ<อ>ต้องทําแต่กรรมเงินน ะ, นะอย่างนี้ครับเ <laughs> พราะนี้เป็นโลกขอวัชชานะทํำด้วยกุศลจิตนะครับ น้ำทะกรร้กมวยวยน้ทเ่นานีเก็ใะเลก่ขนาดนั้ก็ในาบนนี้แม้นาพิสุณีก็จัดแปอนุะสัมบันของพิสุและพิสุก็จัดแปอนุะสัมบันของพิษุณีเหมือนกันเนี่ยแปลกนะถ้าไปจี้พิสุเนียนะผู้ทรงใช้หัวเราะนะท่านนี่โดนการผู้หญิงนะ ต้องแค่บัตทุกกฎนะครับไม่ได้กำหนับนะไม่ได้กำหนับนะครับแต่แต่แกล้งจีบหัวร้อนะครับต้องบัตทุกกฎแต่อ้างเลยไม่ได้นะถ้าใจกำหนัเนี้อ่ะเดินครับเปนค้าพิเศษไม่ได้เลยเพราะการโดินว่าถูกที่เนื่องกับการเป็นต้นต้องบัตทุกกฎทุกทุกรณีนะถ้าบอกว่ามันจะมีการต่อการต้องปลายตีการของเนื่องด้วยการของทุกกฎ ของเนด้วการของเล่นด้วยการก็ทุกกฎนะครับหรือแม้แต่เราโยนนะโยนของใส่เขาเพื่อจะเจี๊ยหัวร้อนก็ต้องทุกกฎนะครับใครที่คนบ้าจี้ไครับผมนี่ไงไม่ใช่คือคือบ้านจี้เขาจะเป็นหนังเลยครับมันเต็กไม่ถึงขนาดนี้บ้านนี้อยู่อก็ตาบุ๋มเด็กเนี่ยแล้วก็พ่อจี้โยโโย่จะเป็นลักษณะนั้นเลยครับครับครับ ขนาดแก้ผ้ายังแก้เลยโอ้ครับครับแก้แล้วพอพอแก้แล้วพอรู้สึกตัวเลยโดนผรนั้นโดนตอกมเลยอะอืมครับครับแก้หมดเลยผมผมเป็นเผู้หญิงนะครผู้หญิงโอ้แต่เลยนะนั่นเขาพอใครทำอะไรก็จะตามนั่นเลยนะจะจี้ตามนั่นเลยนะครับครับรี้ี้จี้จี้จี้จ้จ้จ้จี้ มันมีอย่างไงที่วันเมื่อก่อนผมเคยอยู่ตอนเป็นเนีนครับมันจะมีป้าอีกคนหนึ่งแกชื่อป้าเอ้าตอนนี้แกแกตายไปแล้วนะครับพอดีแกนั่นอ่ะแกมีคนบ้าจี้มาีพ้างก็ชอบแกล้งแกนะแกจะมากราบพ้าเสร็แล้วนะครับพ้าก็แกล้งแกเอาเอาการกร์ดแกกาน่ แล้วก็สงสารแก่วนะนะฟังไปเลยก็แหงแก่แล้วก็กระดานอย่างเี้ยบานก็บอกให้โด้นะฮะก็โดดตูมเลยนะครับไม่ได้หาครับถ้ามีการไปจี้นะด้วยกายของนุ่นด้กายหรือว่าโยนอย่างนี้นะครับก็จะต้องแบบไปตีนะไงก้าวตาก็จะไปตีเดี๋ยวก็เป็นทุกขกดนะครับ แต่ถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่ได้โดนเลยใช่ไหมเขไม่ตอบเนีไม่เข้าสีขาบทนะเอ้ยแบบน่จะจำมันก็ไม่ดีมันก็เป็นอกติสนเขาไปแก้เขบคนปาจีในอาการสีขาบเเบียนอืมแต่เขาเาจะนั่กว่าเขาจะจะจะมีอาบัตรอื่นหรือเปล่าไปเบียเบียงสั่งไเบียนนอื่น รู้แต่น่าสงสารนะพวกชอบตามนี่คือไม้บอกว่ากั่าเ้็หน้ากว่าเลยนะติดกันจริงครับตามที่เข้าสั่งอะไรนะครับถ้าเกิดเจอหมนี้ก็อันายคือทากรรมอะไรมาม้นะครับอันนี้นะแล้วก็มาดูนะครับอาณาบัตรที่สุดไม่ต้องอาบัตรเมื่อ ไม่มีความต้องการจะเล่นนะครับไปโดนเข้าพ่อมีเหตุนนะมันมีเหตุจําเป็นแล้วก็ไปจับเนื้อจับตัวใช่ไหมเพื่อได้สตินะตอบเพิ่หน่อยหรือจับเพิ่หน่อยให้ได้สตินี้ก็ได้ไปรีนายนะครับหรือมีเหตุนนะและพิสูจน์บ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบติครับองค์อาบาสัสค้าบนนี้มีองสองเหล่านี้คือหนึ่งประสงค์จะเล่นคือจะให้หัวรอดนะที่นี่นะสองเอากายโดนกายของอุปสมบันและการต่อการ เทองสองครับก็ต้องบัตรไปตีในสิกขาบท น, นี้แล้วสมุทถามเป็นต้นเหมือนกับปฐมปราชิกสิกขาบทลายคือาการจิต น, นะครับรเขียนว่าอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> จบการอธิบายอังคุริ ป, ปรโตตะกาสิกขาบท น, นะครับจี้เที่ยวนิน้วมือพอดีหมดเวลานะจริงว่างนี้ก็ไม่นา น, น ของยุเรงครับพวกนี้ค่อยมาต่อนะครับพวกนี้เขาจะกลับมาแรกใช่ไหมคุณเนี่ยพวกนี้อาจารย์กลับมาหรือเปล่ากลับได้กลับแวอาจารย์น่กลับพวกนี้องนะครับจริงๆแล้วนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วะโ อ, อครับพนี้มันโกนผาใหญ่เหรอยังไม่ใช่พวกนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดันนเนี้ยนะครับคนพ้าเล็กผ้าใหญ่ทัคู่ชเลีกันยังผ้ า, ย า, ยผาเล็กครับ พาเล่นแล้วก็แม่นั่นนะครับไม่หยุดนะก็ เ, เ, เรียนเรื่อๆอันนี้ได้นนะเขาก็นักเรียนก่อนนะครับเออผมผมอยากจะถามปัญหาปัญหาอันนี้น่าสนใจสูเมียจำแนะมาที่ก็บอกว่าพิสูจนฆ่าคนอะไรนะฆ่าผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่ฆ่าผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อและก็ไม่ได้ฆ่าพระละหันแม่ทําลงอีกตูบาาแม่ทำสองได้แจกแยกกัน แต่ว่านะครับเป็นอนันตริยกรรมต้องอาบัติปาใช่ไหมครับเป็นอนันตริยกรรมนะครับมเขาเอาไนยังไงครับเป็นอนันตริยกรรมปัญหาคร้งนี้ท่านผู้ชารหลายคิดกันแล้วฆ่าคนที่ไม่ใช่ฆ่าหญิงที่ไม่ใช่แม่ฆ่าผู้ชายที่ไม่ใช่พ่อนะครับแต่ต้องอาบัตินี่แแต่เป็นอนันตริยกรรมเปลี่ยนเพศเป็ น, ป น, ป น, ปนแม่ใช่ไหมครับ ก็คือผู้นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแม่เปลี่ยนเป็นผู้ชายครับเป็นต้ อ, องนะก็คือพ่อกับแม่เท่กลับเพียครับเนี่จริงเสียถ้ามุนจน่าปัญหาหนะ้าสนใจเยอะเราไปอ่านได้นะครับในคำบิดบริว า, ารวิธส่วนเรื่องที่สิบนะตั้งแต่หน้าเก้าร้อยสามสิบแปไปครับนี่แค่บอกนะผมชอบใจตรงนี้เนึ่ย ตอนแรกก็คิดเอ๊มาจิตปรนะมาณนี้หมอท่เขาเป็นปนักตบายเชยท่าไม่ใช่แม่หมอนะครับเขาเป็นปนักตบายครับหมอเขาต้องรู้ว่าถ้าฉีดยาจะตายใช่ไหมครับเ้ามีฉีดยาอะไรนะยาสลบหรือยาอไรนะยาที่ให้หลับไปให้ตายไปเลยใช่ไหมครับอโอ้ถึงฉีดยาก็คงจะน่ากลัวน่าดูนะเคยไม้เขาบอกตอนนี้เขาจะประหารหโทษใช้ฉีดายานะเ<ม>ขาจะพาหน้าโทษไปนอนบนเตียง เดี๋ยวนั <ficou> <shoulder> <controlled> well, like, ่นก็ปูผ้าขามันเรียบร้อยเสียไว้หอบศพมันก็รู้ตัวทั้งหมดนะครับเนี่ยแล้วก็ไปตอนแรเขาจะฉีดยาอะไรก่อนนะก่อนฉีดยาสลบมันจะมีขีดยาคายกล้ามเนื้อก่อนข่าวสารเข็มมียาคายกล้ามเนื้อยาสลบแล้วก็ฉีดยาพิษเหมอนหล่บสารเข็มนะแล้วก็ให้หลับตายไปเลยนะแต่ของผมไว้ผมกลัวหน้าดู่ะท นี่นะฮะฟังนะครับบุคคลผู้โฉด ข, ข่าวข้าจะตีซึ่งไม่ใช่มารดาค่าบุรุษซึ่งไม่ใช่บิดาค่าบุคคลผู้ไม่ใช่อริยะแต่ต้องอนันตริยกรรมเพราะเห็นนั้นปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วนี่ก็เพ่งก่อนครับในท้ายสุดนี้ ขอความเจริญงอกงามทวนัยของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าชมแก่ท่านทั้งหลายด้วยการทุกท่า น, นเธอ Tibanna, h a k a o a